นั้นก็หมายว่าผู้ที่มีสมบัติเนี่ยนะสมบัติหมายว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพที่นา่าปราถนานลาบยศตสรรเสริญตําแหน่งนะเป็นต้นอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็คือนั่นก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญเนี่ยนะอายุยืนผิวพรรณดีความมีสวดรงางามก็สมบัติของผู้มีบุญเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญและก็ที่สําคัญต่อไปอีกว่า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 บางทีดูแล้วไม่สัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลแต่ก็เป็นเหตุเป็นผลชั้นใดก็ดีบุญนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้สมความปรารถนาบุญทั้งหลายเป็นเหตุบุญทั้งหลายเป็นเหตุ บ, หหตบุญที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอธิการมีบุ ญ, ม, บญมีอัธยาศัยได้ทําไว้ดีแล้วเขามาก็เชื่อว่าบุญกุศลที่เราตั้งอทําบุญด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าใจและมีเป้าหมายกําหนดทิศทางเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว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 ขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้เราทั้งหลายเจริญด <T> ้วยโภอทรัพย์ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย่เนี่ยนะเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขบำรุงบิดามารดาเป็นต้นให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเจริญงอกงามด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริอุตประเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจารค่ะเจริญด้วยปัญญา ขอพ่อข้าทรัพย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้สุขในโลกนี้อริยทรัพย์ทั้งหลายจะเป็นเหตุให้สุขในเร้าว่าสุขในสวรรค์หรือว่าสุขในพระนิพพานขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุขและที่สำคัญขอให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมบรรลอะนะุอริยสัจกำหนดรอบรู้ในกองทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้ง เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาขอมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายตรงสายกลางข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกขะนะขอให้เราดําเนินเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาตามข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําและก็ทําถึงที่สุดแห่งทุก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 นะขอบุญกุศลเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อเ น, นี่ยนะขอให้มงคลทั้งสาสิแปดประการจงมีแก่โยมทั้งหลายขอให้โยมทั้งหลายอย่าได้คบคนพาลขอให้ได้คบแต่บัณฑิตให้ได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาตลอดไป ให้ได้อยู่ในประเทศอันสมควรเป็นผู้มีบุญอันสังสมไว้ดีแล้วให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิตั้งความปรารถนาโดยชอบตั้งความปรารถนาที่ถูกต้องตั้งความปรารถนาเพื่อคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นพหูสูดเป็นผู้มีศิลปะเป็นผู้มีสังวรวินัยปะหานวินยันนยศึกษาไว้ดีแล้วได้กล่าวแต่วาจาสุภาษิตขอบุญกุศลเหล่านี้ เป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นต้นขอให้ได้บำรงบิดามารดาสงครอบบุตรภรยาบริวารเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขเนี่ยนะได้ทํางานไม่อากูลทางานโดยปราศจากโทษนะขอให้ทางานไม่ติดข้องไม่ข้องขัดในอาชีพการงานทั้งหลาย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 ล, าาละอคุศสแลธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสันโดษดํารงมัน่นอยู่ในความกระตันอยู่และก็ได้มีบุญไ ด, ได้ฟังธรรมตลอดไปเนี่ยนะได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นคําสอนที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะขอบุญกุศลที่ได้และทำแล้วนี้เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายมีความอดทนมี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 ตรัสรูพ้พระนิผ่านตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวันไว้ในโลกธรรมทั้งหลายประสบราบก็ไม่ฟูประสความเสื่อมราบก็ไม่แฟบ อนนะเป็นผู้มั่นคงในลาบยศสรรเสริญสุขทุกขและนินทาเนี่ยนะทั้งนินทาทั้งสรรเสริญให้มีจิตใจที่มั่นคงดํารงมั่นอยู่ในอริยะคุณทั้งหลายคืออธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งปวงเป็นผู้ที่มีจิตเกษมปลอดภยัยขอมงคลทั้งหลายเหล่านี้จงเจริญแก่ท่านตลอดไปเนี่ยนะขอเทวดาช่วยปกปักรักษาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ ขอความสุขสวัสดีจงมีกับญาติโยมทั้งหลายอย่างเช่นที่พระสวดชัยพ่อชัยยมงคลกะถาขอชัยยมงคลชัยชนะโดยมงคลทั้งสามสิบแปดที่เกิดขึ้นนะนะเพราะอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการแล้วก็อาสอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้าชนะที่โพธ่บาลังเนี่ยนะนะ เพราะฉะนั้นขอบุญกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราปราศจากทุกตลอดป ร, ปราศจากทุกโศกโรคเวภยภัยอันตรายประสบแต่ความสุขตลอดการทุกเมื่อเทินวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้าศาสนาสิ่งที่ได้ตอบแทนนั้นก็คือคืออะไรคืออริยทรัพย์นะันผู้ที่เข้ามาสแสวงหาอริยทรัพย์ในพระพุทธาาศาสนา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 ส อ, อริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือหิริอริยทรัพย์คือโอตตะปะอริยทรัพย์คือสุตะอริยทรัพย์คือจากคะและสุดท้ายอริยทรัพย์คือปัญญานนพวกข้ทรัพย์ทั้งหลายเป็นทรัพย์ภายนอกบำรุงตาหูจมูกลิ้นร่างกายอริยทรัพย์นั้นบำรุงจิตใจอริยทรัพย์นั้นบำรุงจิตใจโภกทรัพย์บำรุงตาให้เห็นสีที่น่าพอใจ พ่อาทรับบำบัดบำรงให้หูได้ยินเสียงที่น่าพอใจบำรุงจมูกบำรุงเลนส์บำรงโพธาภะสัมผัส ท, ทางร่างกายส่วนอริยทรัพย์นั้นบำรุงทางจิตใจเพราะั้นถามว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถือ อ, อะไรเป็นหลักก็ถือเอาร่างกายกับเออจิตใจกับร่างกายในสังยุตตนิกายนิทานวักอัตถกถากล่าวถึงว่าใจเนี่ยมาก่อนทีแรก แล้วก็แตกดับทำลายไปในครั้งสุดท้ายมาก่อนแต่ไปหลังคือหมายความว่าการเกิดขึ้นในครั้งแรกในในของพวกเราทั้งหลายปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมาก่อนปฏิสนธิจิตเนี่ยเกิดขึ้นและรูปทั้งหลายก็เป็นรูปเล็กๆ ล, ละเอียดยิบนีดเดียวะนะนแล้วก็รูปก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นรูปเจริญเติบโตแบ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกาย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 ปติสนธิก็สืบเนื่องเกิดชาติต่อๆไปการเชื่อมโยงดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายตัวที่เชื่อมโยงทำให้ไปสู่ที่ดีแต่นั้นคืออะไรนาไปก็คือโลกจิตเนี่ยพาไปถ้าจิตที่เป็นบุญก็พาไปสู่ที่ดีถ้าจิตเป็นบาปก็พาไปสู่ที่ไม่ดีพระองค์ตรัสเป็นบาลีว่าะนะจิตเตสังกิริเต ท, ทุกคติปาติกังค้า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 ไปแล้วไปทุกไปยากไปตกรกรรมลําบากแน่นอนกระทั่งมาถึงอมทตัวนี้เดียวจะหาน้ําดื่มยังหายากไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่ก็หาน้ําดื่มหายากเพราะว่ามดสร้างเขือ่อนอะนะขุดบ่อน้ําเป็นต้นไม่ได้ท่านอมดทั้งหลายนี่ก็หาน้ําดื่มยากทั้นก็เลยเรียกว่าทุกขติเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นสถานที่ที่ไปไม่ดี อันนี้ที่จริงอ่ะพูดเนี่ยไม่ได้ขู่เลยบางคนบอกโอ้ยพระนี่มีแต่เทพขู่เอานรกมาอ้างเป็นต้นยศไม่เคยเห็นหมดเห็นปลวกหรือยังไงยงนะถ้าเคยเห็นบอกถามว่าเราไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกได้ไหมบอกได้ทาไมจะไม่ได้ไดนะเดี๋ยวต่อไปจะเล่าเรื่องพระอินให้ฟังเล็กน้อยพระอินเนี่ยนะมีมีอดีตอดีตชาติท่านมีเมียอยู่สี่คนคนพราหมณ์เนี่ยนะคนวันณะพราหมณ์เนี่ย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 ลูกหลานนางสุชาดาว่างั้นเพาว่าแสดงว่ามักใครว่าอะไรนะมักบำรุงแต่ร่างกายในที่สุดก็กลายไปเป็นนกย่างแต่ว่าดีว่าได้ผัวดีผัวก็ยังตามไปช่วยเกื้อกูลในที่สุดก็กลายไปเป็นนางฟ้านี่นะก็กลายไปเป็นนางฟา้าเรียกว่านางสุชาดาพระอินมีชื่อหนึ่งว่าสุชัมบดีแปล ว, ว่าสามีของนางสุชาดาว่างั้นทนี้แล้วก็มีมเหสีอีกองคหนึ่งในชาดกกล่าวถึง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 อนาคตหวังได้ว่าเป็นปลาแน่นอนเี่ยถ้าไปเห็นใบไม้สีเขียวเป็นต้นเนี่ยอนาคตเป็นอะไรก็เป็นอะไรที่แถวอยู่แถวแถวใบไม้นั่นแหละบโอ้ยสวยจริงๆเลยต้นไม้ใบหญ้าโยมไปแวกดูเถอะแต่ละต้นเนี่ยเดรัจฉานเท่าไหร่พันหลายๆเรื่องเนี่ยนะถ้าใจเศร้ามองด้วยอกุศลทั้งหลายทุกขติหวังได้เนี่ยนะถามว่าอะไรพาไปพาไปเกิดในที่ตกตนะ่านะจะว่าอะไรพาไปใจเราลั่นแหละพาไปไม่มีใครพาไปหรอก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 นะบำรงหาสิ่งที่มาบำรุงตาหาสิ่งที่มาบำรุงหูหาสิ่งที่มาบำรุงจมูกบำรุงลิ้นและบำรุงร่างกายแต่ในที่สุดเอาเข้าจริงแล้วช่วยอะไรได้บ้างนะมีที่นอนอย่างสบายแต่นอนไม่หลับอย่างนั้นนะคล้ายๆว่าสิ่งที่บำรุงทางทวารอื่นๆบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมีสาระตลอดไปเป็นของที่ใช้ชั่วคราว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 นี่อริยสัพเนี่ยนะเราอริยสัพย์คือศรัทธาเนี่ยเราตรวจสอบได้อย่างไรว่าเจริญอย่านะีหรือตั้งคําถามว่าอริยสัพย์เราจะเจริญได้อย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแล้วอริยสัพย์ของเราคือศรัทธาเนี่ยนะเราฝากไว้ถูกที่ไหมละ่ะนะถ้าเรามีทรัพย์คือศรัทธาเราฝากศรัทธาของเราไว้ถูกที่ไหมอย่างโภกท้าศัพเนี่ยนะเราจะเอาไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเราเรา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 การฝากทรัพย์แก้แหวนเงินทองของเราเราจะทุกอย่างเราจะค่อนข้างแน่ใจเราจรึงจะค่อยทําออกไปทีนี้พูดถึงอริยทรัพย์ของเราบ้างเราควรจะฝากไว้ที่ไหนฝากแล้วมีแต่เพิ่มพูนฝากแล้วอริยทรัพย์มีแต่มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปพะะนันก็ฝากอริยทรัพย์ไว้ที่ไหนดีะนะฝากไว้ที่ไหนดีนะโยช่วยตอบให้หน่อยเธอเนี่ยนะเผื่อจะคุยกันต่อไปได้อ่านะฝากไว้ที่ไหนดี อริยทรัพย์เนี่ยมันเกิดที่ใจแต่เราควรฝากไว้ที่ไหนดีศรัทธาของเราเนี่ยนะที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมากอ่ะมันนิดเดียวอ่ะมันเหมือนสตังเนี่ยไม่ค่อยมากอย่างั้นเถอะทุกอย่างมีปริมาณจํากัดเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะฝากศรัทธาเราไว้ที่ไหนดียมเกียรติอ่าหมอบอกว่าอยู่ที่พระัฒนาไตรใช่ไหมยมเกียรติฝากไว้ที่ไหนดีศรัทธาของเราเนี่ยซึ่งมันก็มีบ้างไม่ค่อยมีบ้างเนี่ยนะนะเหมือนกันนะ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 เพราะว่าจะปิดอบายได้หรือปิดไม่ได้จะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้เนี่ยเช็คกันที่อะไรที่ศรัทธาเป็นต้นศรัทธานี่ถือเป็นเบื้องต้นเลยนะอินทรีห้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาขึ้นต้นด้วยศรัทธาพระละห้าก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่นับเนื่องในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเรามาตรวจสอบศรัทธาดู น, นะก็อย่างว่านะถ้าพูดให้ยมบรรลุได้ก็จะพูดให้บรรลุนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าบรรลุนั้นอะ่ะไม่ใช่ว่า ลุแก่อำนาจโทสะนะไม่ใช่นะมาเข า, าบรรลุหมายเขาว่าเพิ่มอริยทรัพย์ได้ผู้ที่เขาบรรลุสมัยก่อนเนี่ยนะคือเขาเจริญอริยทรัพย์จนเต็มเตี่ยมเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าได้เลยเป็นธรรมทายาตรับมรดกแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เลยในย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราที่มีต่อพระอรหันต์เนี่ยเรามาดูอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะพูดอย่างนี้เราเราผ่องใสเลยไหมสบายใจเลยไหม อรหังหมายคำว่าอย่างไงไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักสี่กรรมแห่งสังสารวัจจไม่มีความลับในการทำบาปคู่ควรแกปัจใจสี่เป็นคนดีจริงๆอย่างนั้นแท้ไม่มีผู้ใดจะดียิ่งกว่าพระอารหันต์แล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แลว้วอรหันต์นั้นไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเป็นอรหันต์มต่สั ม, มาสมทธเจ้า